พระเจ้ามิลินสเสด็จไปหาครูทั้งหกลำดับนั้นพระเจ้ามิลินก็ห้อมล้อมด้วยข้าหลวงโยนกทั้งห้าร้อยขึ้นทรงราชรถเสด็จไปหาปูรณะกัสปะทรงปราศัยแล้วประทับนั่งลงตัดถามว่าท่านกัสปะอะไรรักษาโรคไว้ปูรณะกัสปะตอบว่าขอถวายพระพร แผ่นดินรักษาโลกไว้พระเจ้ามิลินจึงตรัสว่าถ้าแผ่นดินรักษาโลกไว้เหตุใดผู้ทําบาปจึงร่วงเลยแผ่นดินลงไปถึงเอเวจีนาโลกละ่ะเมื่อตัดอย่างนี้ปุรณกัสปะก็ไม่อาจโต้ตอบได้ได้แต่นั่งนิ่งกลืนน้ําลายอยู่เท่านั้นลําดับนั้นพระเจ้ามิลินจึงทรงดําริว่า ชมพูทวีบว่างเปล่าเสียแล้วชมพูทวีบไม่มีประชนเสียแล้วเพราะไม่มีสำนนักพรา์เจ้าหมูเจ้าคณะคณาจารย์ผู้อวดอ้างตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสามารถตัดความสงสัยของเราได้ทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงเสด็จไปหามัคริโคสาละตัดถามว่า ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่หรือมัคคริโคสาระตอบว่าขอถวายพระพรไม่มีคือพวกใดเคยเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวชโสตรจันทานคนเทอยากเยื่ออยู่ในโลกนี้เวลาไปถึงโลกหน้าก็จะเกิดเป็นกษัตริย์พราหมณ์เวชโสต จันทานคนเทอยากเยอะอีกการทำบุญไม่มีประโยชน์อะไรพระเจ้ามิลินจึงตรัสอีกว่าถ้าอย่างนั้นพวกใดที่มีมือด้วนเท้าด้วนในโลกนี้พวกนั้นไปเกิดในโลกหน้าก็จะต้องมีมือด้วนเท้าด้วนอีกนะสิมัคคีโคสาละตอบว่าอย่างนั้นมห า, าพิฏคือผู้ใดได้ไดรับโทษ ถูกตัดมือเท้าในโลกนี้เวลาผู้นั้นไปเกิดในโลกหน้าก็จะถูกตัดมือตัดเท้าอีกพระเจ้ามิลินตรัดว่าโยมไม่เชื่อมัคคริโคสาระก็นิ่งพระเจ้ามิลินจึงตัดต่อไปว่านี่แน่มัคคาริโคสาระข้าพระเจ้าถามท่านว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่หรือ ท่านก็แก้เสียอย่างนี้ท่านเป็นคนโง่เขลาพวกใดทำกรรมที่จะให้เกิดไว้อย่างใดๆพวกนั้นก็ต้องไปเกิดด้วยกรรมอย่างนั้นๆครั้นตัดอย่างนั้นแล้วจึงตรัสแก่พวกอมตะขึ้นว่านี่เนะ่ยท่านทั้งหลายเวลานี้ก็ค่าแล้วเราจะไปหาสมณพราหมณ์เจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์ใดๆอีก ผู้ใดจะอาจสนทนากับเราได้อาจตัดความสงสัยของเราได้ตรัสอย่างนี้หลายหนแต่พวกอมาตะก็พากันนิ่งอยู่ไม่รู้ว่าจะกราบทูลอย่างไรเท้าเธอก็เสด็จกลับสู่พระนครต่อนน้นไปพระองค์ก็ได้ไปเที่ยวไต่ถามสมณพราหมณ์เจ้าหมูเจ้าคณนะคณาจารย์ ในที่นั้นๆไม่เลือกหน้าพวกใดแก้ปัญหาของเท้าเธอไม่ได้พวกนั้นก็หนีไปพวกที่ไม่หนีก็สู้ทนนิ่งอยู่แต่โดยมากได้พากันหนีไปสู่ป่าหิมพานเมืองสาขราณครจึงเป็นเหมือนกับว่างจากสมนพรามอยู่ถึงสิบสองปี